ตอนชีวิตที่ขาดทุนวันที่6ธันวาคม2558กาบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไมชีกัลรรยาณมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนาะเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์นะวันนี้ก็มีคำถามบ้างนะก็ตอบเลยจะได้ไม่ต้องกินเวลามาก ขีใบนี้พึ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นอารมณ์เสียใจต่างๆแล้วก็ผ่านไปแล้วเมื่อกลับไปทํางานต่อเมื่อได้กลับมาปฏิบัติใหม่ทําไมอารมณ์เหล่านั้นยังเกิดขึ้นอีกอยากให้มันจบเร็วๆ เ, เนาะถ้ามันจบเร็วๆไม่มีของเล่นนะ คนเรามีของคู่ไม่ดีใจก็เสียใจไม่สุขก็ทุกข์นะทีนี้ไอ้ดีใจเสียใจไม่ใช่เรื่องเรามีหลายกรรมมากนะบางทีชาติเดียวเนี่ยสร้างกรรมให้ดีใจเสียใจอะไรเยอะมากแล้วมันกี่ชาติล่ะเห็นไหมทีนี้บางทีเรามาปฏิบัติไม่ต้องกลับไปทํางานนะปฏิบัติโอ้ยร้องไห้เจ็บเจ็บเจบเ็บเห็นตัวเองเนี่ยไปหักขาไก่ ตอนนี้ตัวเองเป็นไก่ถูกหักขาเจ็บๆบอกหมดเวลาแล้วนะหยุดลุกขึ้นไปกินข้าวมันหายไงออกจากกรรมฐานพอมานั่งใหม่เดี๋ยวเจ็บต่อเพราะว่าโปรแกรมนั้นมันยังไม่หมดเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะทีนี้คำว่าเสียใจเนี่ยเราเสียใจกี่ครั้งมาแล้วเราสร้างกรรมอะไรที่มันทำให้เราเสียใจนะถึงว่ากรรมตัวนี้หมดก็ช่าง แต่มันเกิดขึ้นใหม่มันก็เสียใจอีกแต่คนละกรรมก็ได้นะเอาเป็นว่ามันหมดไม่หมดเรามีหน้าที่ยอมรับมันสักแต่วรู้ถ้ามันหมดวัยไม่มีของเล่นนะมันเหงาเนาะทาไปเรื่อยเสียใจก็มีประโยชน์ดีใจก็มีประโยชน์นะ เ, เสียใจมีประโยชน์กว่าดีใจอีกไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมถ้าดีใจไปหลงดีใจอยู่นั้นไม่ไปไหนเลยนะชอบชอบ เวลามานั่งทุกครั้งก็ดีใจกลับไปก็มานั่งทุกทีใจไม่เคยถามพรอครูเลยทําไมมันดีใจไม่เลิกสักทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> น่ะติดสุกันนะมันไม่ไปไหนนะมันไม่เกิดปัญญาเนาะเอาเป็นว่าเสียใจก็เอาความเสียใจนั้นมาเป็นฐานที่เป็นกรรมฐานของเราเออดีใจก็กรรมฐานของเราอันนี้ดีใจก็ไปติดมันชอบชอ บ, ชอบกอดมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่เห็นบ่นเลยว่าพรอครูทำไมมันไม่หนีสักทีหนึ่งลึกๆ ก, ก, กลัวมันหนีด้วยเ <c oughs> <c oughs> พราะชอบดีใจใช่ไหมน่ะ พวกเรากิเลสเรามันชอบดีใจชอบสบายพอไม่สบายปุ๊บก็เลยไม่ชอบแต่จริงๆแล้วในทางธรรมะมันกลับกันไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไปนั่งกรรมฐ า, านกดมันเข้าไปอยู่ในฌานโอ้มีความสุขมากนะอะไรก็กระทบเราไม่ได้เลยเพราะเราหนีเข้าไปในถ้ำไงหลายปีก่อนมีญาติธรรมผู้ชายคนหนึ่งเคยบวชอยู่ในวัดป่าที่วัดป่าแล้วก็ศึกแล้วไปใช้ชีวิตกรุงเทพ ก็ได้ยินข่าวที่นี่เขามาปฏิบัตินะก็พอนั่งปุ๊บเนี่ยเขาเอามืออย่างนี้เหมือนหลวงพ่อโตนะพระกูก็มองเอวิชาหลวงพ่อโตหรือเปล่าเขาบอกเขาจับลมนะเขาเข้าไปในชาตอนนั้นแหะก็บอกเสียงดังๆอะไรก็ทําเขาไม่ได้เลยเขาบอกว่าเขาอยู่เหนือเวทนาเขาคุยนะเวลานั้นน่ะสิ่งกระทบไม่กระเทือนเขาอยู่เหนือเวทนาเขามีความสุขมาก นะพออีกชั่วโมงหนึ่งเขานั่งปุ๊บเนี่ยพ่อคูเห็นจิตเขาจิตเขาแก่งปุ๊บเนี่ยพ่อครูเอาระฆังไปตีกังนะกิ่งดิ้นเลยดิ้นจนอาเจียนจนหลังโก่งเลยเนี่ยพ่อครัวอันนี้เขาเรียกว่าเวทนาคุณไม่ได้อยู่เหนือเวทนาคุณหนีเวทนาต่างหากนะอย่าไปติดสุกนะมันไม่เกิดปัญญาเนาะก็คำถามต่อไป ขอากาบเรียนถามพ่อครูว่าในขณะสวดมนต์ธรรมวัดเย็นหรือกำลังเต้นในช่วงนานาจิตตังไปได้สักพักหนึ่งแล้วมีอาการง่วงนอนเคลิ้มกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนอยู่ในพวังอย่างนี้ใช่นิวรไหมคะแล้วควรปลุกสติให้ตื่นขึ้นมาหรือแค่สักแต่ว่ารู้แล้วปล่อยให้มันดับเองหรือว่าร่างกายกาลังเตือนว่า ต้องการที่จะพักผ่อนรู้สึกสงสัยเยอะเหลือเกินอันอันดบแรกนะแล้วมีอาการง่วงนอนเคลิ้มกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนอยู่ในภวังนะสงสัยละแ ล, แลอย่างนี้ใช่นิวรไหมคะอันนี้สองคำถามนะแล้วควรปลุกสติให้ตื่นขึ้นมานะเลือศักด์แต่ว่ารู้แล้วปล่อยอันนี้คือวิตกจริตของเราอะนะ ก็บอกแล้วว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเอ๊ะมันนิวรหรือเปล่าเอ๊ะมันเข้าผวังหรือเปล่าอะไรเนี่ยเห็นไหมล่ะก็รู้ไงรู้เฉยเฉยมีใหญ่ไปเอ๊ะนั่นล่ะมีการกระทาเกิดขึ้นจะจัดการมันยังไงเห็นไหมพอเจอความสุขแล้วไม่เคยเห็นคดิดจัดการมันเลยกอดมันไว้ตรงนั้นแหละนะเนี่ยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้เฉยเฉยแต่ว่ากิเลสเราไม่ยอมมันก็ เผลอคิดเอ๊ะมันคืออะไรวะเห็นไหมเอ๊ะปุ๊บมีการกระทาเกิดขึ้นแล้ววิปัสนาจะไม่เกิดมันเป็นวิปัสนึกนะทุกขั้นตอนที่เราทําตรงนี้แหละเผลอเลยไม่แต่หนึ่งวินาทีไม่ได้นะต้องมีสติทุกลมหายใจไม่ใช่เรามีสติอยู่แล้วต้องใช้มันทุกลมหายใจเข้าออกไม่งั้นเราก็ถูกอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันหลอกนะเออไม่ต้องไปเรียกชื่อมันหรอกมันเรียกว่าอะไรนะ คำถามนี้ก็ตอบว่าเบี่ยงทิ้งรู้แล้วก็เบี่ยงทิ้งคําว่าเบี่ยงทิ้งไม่ใช่มีการกระทําว่าเบี่ยงมันออกลังเกียจมันมากอารมณ์นี้ฉันไม่ชอบอะไรนะคําว่าเบี่ยงทิ้งมันเป็นการเตือนสติให้จิตเราเนี่ยวางมันอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นเบี่ยงความยึดมั่นถือมัน่นที่เราจะไปตั้งคําถามของเราทิ้งนั่นแหละเบี่ยงไอ้ตัวสงสัยทิ้งนะมันเกิดขึ้นก็ดีก็เห็นไงดีใจก็เห็นเสียใจก็เห็นมันง่วงก็เห็น นะการง่วงเหงาหานอนก็เป็นนิวรณอย่างหนึ่งแหละชีวิตเราเนี่ยเราเคยทำงานเคยเรียนหนังสือตีสองตีสามก็ไม่นอนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอบเราสร้างกรรมนะทรมานสังขารเนี่ยมันหาวแล้วหาวอีกก็ไม่ยอมหยุดเพราะว่าเราเป็นคนตั้งใจรับผิดชอบมันก็บันทึกสัญญาตรงนั้นนะ่ะเป็นกรรมอย่างหนึง่งพอเรามานั่งปุ๊บไอ้ง่วงเหงาหานอนเราไม่ได้ง่วงจริงๆนะขณะเต้นอยู่ยังบอกง่วงเหรอนะ เต้นอยู่อย่างนี้มันยังจะหลับเรยให้มันหลับเลยไปนะให้มันหลับในเต้นเลยนะะมันหลับได้นะมันเป็นอารมณ์ของนิวรณ์รู้เฉยๆนะมันก็ลงล้างอยู่ไงอะไรที่มันบันทึกในจิตนมันกำลังล้างออกมาเราก็สักแต่ว่ารู้นะเพราะกูไม่เคยเห็นนะหลับกลางอากาศให้พักคูเดูยหน่อยสิเวลาเช็คกิ้งเต้นอยู่หลับหน่อยนิดพักคูจะถ่ายรูปไว้เนาะเนี่ยนิดนึงก็เอามาถามเนาะ โดยเฉพาะแผ่นนี้คนเดียวกันแน่นอนเจ้าเก่านะฮคำแรกก็ถามอยู่ว่าขอถามเป็นเต็ดความรู้ได้ไหมคะคำตอบคือไม่ได้เพราะครูไม่ให้ความรู้ไขมันกลายเป็นขยะหมดดูเขาถามอะไรรู้ไหมอยากรู้ไหมนะแต่ไม่ตอบนะทำไมพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุ ญ, ญาตให้พญานาคบวชละคะทั้งทั้งที่พญานาคมีความตั้งใจในการบำเพ็ญ แล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็ได้ไปถามพระพุทธเจ้าเนาะเออแล้วพญานาคจัดอยู่ในภพภูมิไหนมีอายุไขานานไหมคะเออมนุษย์ต่างดาวเข้าถึงนิพพานได้ไหมคะและเขาอยู่ในภพภูมิเดียวกันกับมนุษย์ไหมคะเหวี่ยงทิ้งไม่ใช่เรื่องเราไม่เกี่ยวกับพ้นทุกนะ บอกไปปุ๊บก็บไปบันทึกสัญญาไปอีกน่เพิ่มขยะมาเอีกนี่แหะเจ้าเก่านแน่เลยนะเวียงทิ้งอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเรานั่นพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าอะไรไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกเนี่ยอย่าพิดสีเวลาแม้กระทั่งนิดหนึ่งชีวิตเราแสนสั้นไม่มีเวลาจะไปรู้เรื่องพวกนี้นะ เ, ออเดี๋ยววันไหนถามพระครูผ้าทิ์มาจากไหนนเพิ่มความรู้ให้หน่อยนะ เอ๊ะทำไมงูไม่มีขานาเอ่อทำไมมนุษย์มีสองขานาะสิ่งนี้เรารู้แล้วมันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์อย่าไปเสียเวลากับมันนะก็คำถามต่อไปจิตคืออะไรคะข้อหนึ่งะข้อสองจิตในจิตจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือจิตเข้าถึงจิตแล้วและจะเข้าถึงจิตอย่างไร คำถามที่สถ้ายังมีความสงสัยอยู่และปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้จะทําอย่างไรให้ผ่านความสงสัยไปได้คะขอบคุณคะ่ะจากผู้ปฏิบัติใหม่จริงๆแล้วคําถามนี้เนี่ยยีปีมาเนี่ยก็ยอดฮิตนะก็พ่อครูเคยตอบม่นานแล้วก็ไม่เป็นไรไอ้คาว่าจิตคืออะไรนี่เราบอกว่าคือโน่นคือนีอน่พูดปุ๊ บ, บมันกลายเป็นอัตตาแล้วพระเจ้าใช้คําว่า สิ่งสิ่งหนึ่งแสดงว่ามันมีอยู่แต่ไม่ใช่รูปประธรรมที่เราจับต้องช่างตรงวัดไม่ได้แต่ไม่ใช่นามมาธรรมถ้าเป็นนามมาธรรมแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนเวียนไหวาตายเกิดนะเออใครไปใครเป็นคนรับนี่กรรมตรงนั้นนะพูดไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่เราสามารถพัฒนาเขาได้นะเราไปสัมผัสต ร, ตรงนั้นได้ สัมผัสได้แล้วเราก็พูดไม่ได้คืออะไรมันไม่ได้หยาบจนกว่าเป็นรูปประธรรมแต่มันก็ไม่ใช่นามมาธรส่วนมากตอนนี้ถ้าไม่ใช่รูปปุ๊บเนี่ยเราโยนให้นามหมดเห็นไหมวิทยาศาสตร์เอาแค่รูปประธรรมนามมาธรรมปฏิเสธนะยกตัวอย่างเราดีใจนี่เป็นอะไรเสียใจเป็นยังไงมีความสุขความทุกเนี่ยเห็นไหมที่เราเรียกว่านามมาธรนะ ร่างกายนี้เป็นลูกประธรรมนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะส่วนคนนี้ตายใหม่ๆนะร่างกายยังไม่เน่าเลยทําไมคิดไม่เป็นนะทําไมหัวใจไม่เต้นเห็นไหมรีบผ่าตัดเอาหัวใจคนคนี้ไปให้อีกคนอื่นที่เขายังไม่ตายทําไมหัวใจไอ้ที่ไม่เต้นมันเต้นขึ้นมาอีกอะไรทําให้มันเต้นเพราะกลัวไล่ๆวะนะเดี๋ยวจะได้สัมผัสว่าจิตมันมันคืออะไรกันแน่มันคือสิ่งสิ่งหนึ่ง แต่ไม่ใช่รูประธรรมเราชั่งตรงวัดไม่ได้อย่างวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่นามมาธรรมว่ามันเป็นแค่นามมาธรรมมันไม่มีมันมีอยู่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งและเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นในจักรวาล น, นี้นะว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเหรอแดดแสงแดดก็พลังงานน้ําก็พลังงานลมก็พลังงานมันไม่ใช่เป็นแค่พลังงานอย่างนั้นนะมันมีความความ ความจําได้หมายรู้นะสิ่งมีชีวิตอะไรก็ช่างถ้าปัสะจาดด้วยวิญญาณแล้วเนี่ยมีชีวิตไม่ได้นะแม้กระทั่งจุลินทรีย์สัตว์เซลล์เดียวอะไรก็ช่างมันต้องมีวิญญาณนะแต่มันมีเขาเรียกว่ากายวิญญาณส่วนจิตวิญญาณเนี่ยมันต้องเป็นสัตว์ใหญ่ในต้นไม้นี่มีวิญญาณนะต้นไม้นั่นมีน้ําในน้ํามีจุลินทรีย เห็นทานตะวันเช้าขึ้นมาปุ๊บหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์มันมีความรู้สึกแต่มันไม่มีจิตวิญญาณมันมีวิญญาณวิญญาณนี่ก็เป็นพลังงานของจิตอย่างหนึ่งนะก็ทางศาสนาบอกว่าเราพัฒนาได้โดยแนวทางสมมถาวิปัสนานะเราจะไปสัมผัสจิตเราได้ด้วยตัวเราเอง ไอ้คำว่าเราเ ร, า เ, ร, า เ, ราเนี่ยก็จิตเนี่ยจิตสํานึกปัจจุบันนะส่วนไปสัมผัสจิตใต้สํานึกนั่นใช่ไหมจิตเห็นจิตคือมักนะต้องใช้เครื่องมือผู้ริเจ้าท่านไปเพระองค์ไปตัดสรู้มาเนี่ยนะเครื่องมือที่จะเข้าไปพัฒนาจิต ต, ต้องยึดหลักสมมติฐาิปัสนานะหรือเราจะเรียกสติปัฏฐานสีนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นเครื่องมือที่เราไปพัฒนาจิต เราเข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยพระองค์ก็พูดได้แค่ว่ามันเป็นปัจจตังเวทีตัโพโวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนอ่รู้แล้วพูดได้ไหมยิ่งพูดยิ่งเลอะเลือนนะพูดปุ๊บเขาก็ไม่เข้าใจหรอกสิ่งนี้ต้องไปสัมผัสเองเห็นไมเหมือนกาแฟั้วยหนึ่งเนี่ยนะพอคู ด, ดื่มปุ๊บนะ เออมันขมนิดหนึ่งนะหวานนิดหนึ่งนะมันร้อนนิดหนึ่งนะเรารู้แค่นั้นไงแต่มันไม่ใช่ของจริงเราต้องดื่มเองเนาะโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเขาไม่ใช่หยากเหมือนกาแฟด้วยนะเราสามารถเข้าไปสัมผัสเขาได้แล้วก็พัฒนาเขาได้นะแต่ยี่เรียกว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้ถ้าเรียกปุ๊บเนี่ยมันแข็งทื่อเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นรูปธรรมแล้วมันไม่ใช่นะก็ เมื่อกี้ก็ตอบรวมๆกันนะจิตคืออะไรครับโอเคก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งไม่ใช่รูปประธรรมที่เราเอาเทคโนโลยีอะไรไปสัมผัสเขาได้แต่ก็ไม่ใช่นามมาทําที่มันไม่มีมันมีอยู่นะส่วนจิตในจิตจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือจิตเข้าถึงจิตแล้วยกตัว อ, อย่างถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราเรานั่งดูก็ได้นะคนมาใหม่เนี่ย เอขาเต้นรำเขาแสดงท่านวนท่านี้น่ไมใครสั่งให้ทำไม่ใช่สมองเราแน่นอนเขาเรียกว่าอินไซต์เอาข้างในมันสั่งให้ทำจิตปัจจุบันก็รู้เฉยๆว่าเขาทำอะไรนะนี่แหละคือจิตเห็นจิตแล้วจิตเห็นจิตเนี่ยถ้าในทางศาสนาก็บอกว่าเราเข้าสู่กระแสมรรคแล้วนะเราเข้าสู่กระแสมรรคแล้วจิตเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ มันมาเดินทางต่อไม่ใช่เดินทางไปอินเดียหรือภูเขาหิมาลัยนะไปแสวงธรรมแบบนั้นไม่ใช่อันนั้นก็เปิดหูเปิดตาไปดูสิ่งแวดล้อมเฉยๆต้องเดินเข้าไปข้างในนี่คือมรรคจิตเนาะจิตเขาเดินผัทางเขาเกิดมาเพื่อเพื่อเดินทางต่อนะแต่จิตปัจจุบันเราเรารู้เรื่องรู้รู้น่นรู้นี่รู้กระทบรู้อะไรรู้ร้อนรู้เย็น ออมองเห็นรูปอะไรเนี่ยอันนี้เป็นวิญญาณวิญญาณหกนี่เป็นเป็นพลังของจิตนะเป็นของจิตปัจจุบันเรียกว่าจิตสำนึกนะเราปัจจุบันก็คือจิตสำนึกเราปัจจุบันแต่ถ้าเราเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราได้เนี่ยเข้าไปเาเรียกว่าอริ g ิน a l mind ของเราเนี่ยเข้าไปในจิตเดิมเรานั่นแหละคือกล่องปัญญาเหมือนเราเข้าไปเว็บไซต์นะคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะ คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเรามีซอฟต์แวร์มีแผ่นดิสส์แผ่นกัวแกรมเนี่ยโอเคเราใส่เข้าไปปุ๊บโปรแกรมนี้มันมีข้อจํากัดเราก็เล่นได้เท่ากับโปรแกรมตรงนี้แต่ถ้าเข้าลงไปฮาร์ดเข้าไปในฮาร์ดดิสส์นะมันบันทึกหลายสัญญาในนั้นในจิตใต้สํานึกเรานะไม่ใช่แค่ฮาร์ดดิสส์นะตอนนี้เนี่ยมันลิงก์เข้าไปสู่อินเทอร์เน็ตคล้ายๆว่าเข้าไปลิงก์ไปทั่วโลกเลยนะถ้าจิตเดิมเราเนี่ยมันสามารถสื่อไปถึง อะไรเยอะแยะเลยนะที่เขาสร้างคอมพิวเตอร์เพราะว่าไอ้คนมันสร้างคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคกล้ๆมันรู้ระบบจิตพอสมควรนะพอเราไปกดปึ๊บเราเข้าไปเว็บไซต์เพลงมันก็โชว์ออกมาทางมอนิเตอร์เห็นไหมทางมอนิเตอร์เป็นเพลงเห็นไหมมอนิเตอร์เราก็เหมือนร่างกายถ้าเราเข้าไปในจิตทำยุ่งปุ๊บอารมณ์มันเป็นยังไงมันก็มันก็แสดงออกมาทางร่างกาย เราไม่เคยเต้นอาราบิกเลยเราไม่เคยเต้นเล่นโยคะเลยพอเข้าไปในโปรแกรมเก่าปุ๊บมันก็สอนให้ร่างกายปัจจุบันทำโยคะนะนี่คือขบวนการของร่างกายเรานะไอ้ที่จะรู้ได้ว่ า, วาเอ๊จิตเห็นจิตหรื อ, อยังเนี่ยนั่นแหละถ้ามันเกิดมาจากข้างในเป็นตัวสั่งแล้วเนี่ยจิตข้างในเป็นตัวทำจิตปัจจุบันก็เห็นแล้วว่าเขาทาอะไรเห็นจากอะไรเห็นจากกายเคลื่อนไหว นะเวทนาในเวลานี้เกิดขึ้นแล้วก็อารมณ์ของจิตเป็นอย่างไรจิตปัจจุบันแล้วก็จิตเดิมเป็นยังไงธรรมอารมณ์ที่บันทึกไว้นี่ยงัน่ะมันเป็นอย่างไรนะแล้วก็ไปสัมผัสอารมณ์นั้นถ้าอารมณ์ในอดีตไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมในธรรมเป็นเป็นเวทนาในอดีตที่บันทึกเป็นสัญญาไว้เป็นโปรแกรมแล้วนั่นแหละตอนนั้นถ้าเกิดโศกเศร้าดีใจเสียใ จ, ใจไม่ใช่เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องของอดีต นะและไอแนวเราปฏิบัติมันเป็นมหาสติปัฏฐานอย่างจริงเพราะเราเอากายเวทนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยสายอีสานเราตั้งแต่ร้อยปีที่ผ่านมานะท่านก็ฝึกมหาสติปัฏฐานแต่ว่าท่านเหมือนเอาทีละขั้นอยู่ในฐานกายสร้างพลังเข้าไปในฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็เข้าไปในฐานธรรมท่านก็ระลึกชาติได้แต่เขาไม่แสดงออกทางกายภาพนะ จริงๆแล้วเรื่องนี้ผู้เจ้าพูดชัดเจนเลยในอาณาปาณสติสูตรพระองค์ตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปาณสติอันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมทาสติทั้งสี่นะให้บริบูรณ์นะคือทำกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่ให้บริบูรณ์คือเป็นหนึ่งเดียว แต่ตอนนี้ เ, าเอาบริบูรณ์คล้ายๆว่าเราเรียนแบบเอออนุบาลปถมมัธยมจนจบด็อกเตอร์คือเราทําบริบูรณ์แต่ว่าเราเรียนทีละขั้นจริงๆแล้วนี่เป็นแค่อนุสติแต่เรียนไปทีละขั้นเหมือนสมมถะกรรมฐานเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆมันก็ไปถึงตรงนั้นได้แต่ที่นี้มหาสติประฐานจริงๆแล้วเนี่ยต้องทําสติปัะธานทั้งสเนี่ยฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรวมเป็นหนึ่งเดียวในขณะจิตเดียวกลายเป็นมหาสติประธาน เมื่อสติปฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําโพชฌงทั้งเจให้บริบูรณ์โพชฌงมีอะไรบ้างสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปัตสัตถิสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงถ้าเราไม่เข้าไปถึงในจิตในจิตเราไม่สามารถเสพอารมณ์โพชฌงนี้ได้ เมื่อโพชฌงค์ทั้งเจอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาชช้างสองตัวคือตัวปัญญาเนี่ยมันก็แสดงตัวนะเมื่ อ, เ ม, อเมื่อจิตมันมีปัญญาแล้วมันก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นจางคลายขันห้าตรงนี้เนี่ยปล่อยวางมันก็เข้าถึงวิมุตติก็สมบูรณ์พวกที่เข้าไปได้แล้วเรากำลังเจริญโพชฌงค์อยู่เป็นบันไดขั้นสุดท้าย แต่กว่าจะถึงขั้นนี้เราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างต้องเริ่มจากสติปัฏฐานสี่เราต้องมีกายเวทนาจิตธรรมเทวดาทำไม่ได้เทวดาไม่มีกายสัตว์เดรัจฉานมีกายทำไม่ได้เพราะมันจิตระดับต่ำเกิดมาในร่างสัตว์เดรัจฉานจ่ายหนี้กรรมอย่างเดียวเราจึงเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นนะที่จเจริญมรรคจิตได้เพราะเรามีกาย เราจ่ายนี่กรรมได้ด้วยทางกายเทวราเสพสุขอย่างเดียวเนาะอันนี้แหละเริ่มจากสติปัฏฐานสี่แล้วก็ใช้หลักอิทธิบาทสีนะอิทธิบาทสีใช้ได้ทั้งทางธรรมทา ง, ทา ง, ทา ง, ทางโลกต้องใช้ถ้าเราต้องการสำเร็จในชีวิตนะแล้วต้องมีฉันทะพึงพอใจกับสิ่งที่เราทํามันก็เกิดวิริยะนะเมื่อพึงพอใจจิตมันก็ตั้งมั่นเจ็บฉันก็ไม่ถอยนะเบื่อฉันก็ไม่หนีกลัวฉันก็ไม่ไปไหน จิตมันตั้งมั่นนะแล้วมันประสบการณ์ที่มันทำไปมันก็เกิดวิมังสาเมื่อเราใส่ใจมันเนี่ยจิตก็ไม่ใช่ศักแต่ว่าทํานะจิตมันก็ธรรมวิจยะสัมมันกิจัยไปเรื่อยๆนะอันนี้ใช้เครื่องมือคืออิทธิบาทสี่แล้วก็อีกเครื่องมือหนึ่งคือสัมมัตประธานสี่นะสำรวมระวังไม่ให้อกุศลใหม่มันเกิดขึ้นนะ ก็คือไอ้ตัวศีล น, นี่แหละนะแล้วก็เพียรละกุศลที่มีอยู่แล้วให้หมดไปนี่คือขัดเกาจิตให้พองใสแล้วก็เพียรสร้างกุศลใหม่ให้มันเกิดขึ้นนี่คือการทำดีนะแล้วก็สํารวมระวังรักษากุศลที่มีอยู่แล้วให้มันหมดไปเห็นไสติปฐานสี่อิทธิบาท 4, สสมมัติปทาน4ี่สี่สามสิบองพอไ ม, ไม่พอต้องใช้เครื่องมืออีกคือ อินทรีห้พละหศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เรามีอยู่แล้วขุดออกมาใช้หมดยิ่งใช้ยิ่งมีกำลังนะกำลังของอินทรีเขาเรียกว่าพละหเหมือนเราใช้ร่างกายเราออกมาจ็อกกิ้งตอนเช้าเราวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมันก็เหนื่อเหนื่อยไหลใขรย้อยแต่เรามีฉันทะมีความพึงพอใจเราก็มีขันติมีความมีวิริยะเมื่อเรายิ่งวิ่งก็ยิ่งแข็งแรงนะพลังเกิดขึ้น ยิ่งแข็งแรงยิ่งวิ่งได้เร็วขึ้นไม่ใช่ไปฝึกสติสมาธิต้องใช้มันนะอินรี่ห้าพละห้าเป็นส0บบวกอีก12เป็น22่อพอไหมยังเมื่อเราเข้ากายในกายเวทนาจิตในจิตได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเสพธรรมในธรรมรมในธรรมเนี่ยมาในรูปของโพชฌงบวกกับโพชฌงเจ็อีเห็นไหม เมื่อกี้เนี่ยสิบวกอีกสิบยบวกกับโพชเชงเจ็ดเนี่ยยีบวกกับมัคมีองแปดกลายเป็น37ประการโพธิปักขียธรรม37ประการตอนนั้นพ่อกูมีรูปติดไปตรงนี้นะเราถ่ายเห็นตรงนี้นะเราถ่ายเห็นที่นี่นะเลข37ไทยโผล่ขึ้นมาเลยจริงจริงแล้วพ่อคูไม่รู้คําว่าโพธิปักคียธรรมคืออะไรพ่อคูไม่ได้เรียนรู้ปริยัต แต่พอเขาแสดงเห็นปุ๊บเนี่ยพวกครูก็าไปเปิดดูมันมันคือโพชดชงจ็ตแหละคือเราเข้าถึงตรงนั้นก่อนนะผ่านทุนหมดเลยเนี่ยพอเราไปเห็นตัวหนังสืออะไรเนี่ยแล้วเห็นตัวหนังสือบอกเราก็ไม่สงสัยมันอยู่ในนี้หมดเลยไม่ใช่ไปเรียนวิชานูน่นวิชานี่ไม่ใช่มรคภายนอกมรคภายในเรียกว่ามรคจิต ทั้งเจริญภายนอกเจริญภายในเราต้องใช้เครื่องมือทั้ง37อย่างนี้เนี่ยเดินทางไม่ใช่อยู่แค่สติอย่างเดียวนะก็ที่ถามมาก็ดีที่สุดว่าอุตสาห์มานี่แล้วก็โอเคเปิดโอกาสให้จิตเราลองดูมันสงสัยถ้ามันไม่สงสัยแสดงว่าผิดปกติลังเล ส, สงสัยเป็นเรื่องธรรมดานะแต่อย่าเพึ่งด่วนสรุปอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเพิ่งปฏิเสธ ภาษาอังกฤษบอก learning by doing เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนะทำเลยนะทำแล้วเราก็เรียนรู้กับสิ่งที่เราทำนะเพราะสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้นั้นคือความจริงสิ่งนั้นน่ะความจริงนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้พูดปุ๊บมันก็หยาบไปนะแต่พระองค์ใช้หลักภาษามาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิด ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตต้องปฏิบัติสถานเดียวเราถึงจะเห็นว่าจิตมันคืออะไรกันแน่นะมันเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะก็พวกูดพู ด, พ, ดพูดเข้าๆได้ว่าเขาไม่ใช่รูปธรรมอย่างที่เราช่างตวงวัดได้เหมือนวิทยาศาสตร์แต่เขาก็ไม่ใช่นามมารมอย่างที่ว่ามันเป็นนามมารำมันไม่มีมันมีอ่าถ้าจิตไม่มีใครเป็นคนเวียนไหวาตายเกิด เราจะระลึกชาติได้อย่างไรใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องระลึกชาตินี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารไม่ใช่เมจิกนะมันเป็นความจริงซึ่งทุกคนทําได้ทุกคนทําได้มันเป็นสากล น, นะส่วนว่าจำเป็นต้องระลึกชาติไหมออบอกว่าจำเป็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิบอกว่าไม่จำเป็นก็มิจฉาทิฏฐิจิตเดิมเขาจะรู้เองว่าจิตปัจจุบันนี้ ควรจะไปท่องเที่ยวไหมถ้าไม่ควรก็ไม่ต้องไปถ้าเราไม่มีวิตกจริตเราศรัทธาอยู่แล้วเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปกุบุญโทษเราก็ไม่ต้องไปดูเราก็เจริญมหาสติปัฏฐานสะสมแต้มเดี๋ยวมันถึงเวลาเดี๋ยวธรรมะจัดสรรแต่ถ้าคนลังเลสงสยัยเดี๋ยวจิตเดิมมันจะพาเราไปเที่ยวให้ไปเห็นจระเลยว่ามันเป็นยังไงแต่ไปแล้วอย่าไปติดมันนะ โอ้ไปติดมันจนนั่นแหละอารมณ์ทุกอย่างอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ในดินเนี่ยมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจําคํานี้ไว้นะมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเอ้าไม่เป็นได้ยังไงเออมันแสดงต่อดเวลาก็มันแสดงแต่จิตปัจจุบันอย่าไปติดมันเท่านั้นเองรู้ว่ามันแสดงอะไรรู้ว่าอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรนะบางทีมันแยกไม่ได้ไม่ได้ว่ามันติดไม่ติดเนี่ยทำไปเรื่อยเรื่ออย่าหยุดเดี๋ยวมันหมดแล้วมันก็หยุดเอง นะเอ๊ะมันติดหรือเปล่าวันนั่นแหละติดแล้วติดความคิดไงติดเอ๊ะยังไงนั่นเราติดแล้วไงเมื่อเวียงปล่อยวางความติดของเราไงที่ลังเลสงสัยนั่นแหละคือติดใช่ไหมล่ะไม่มีใครไม่ติดติดหรอกมีพระอรหันต์น่ยถึงไม่ติดเนาะไอเราติดนี่เป็นเรื่องธรรมดาเราคิดเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่คิดนี่ยผิดปกติส้นบอกคนยุคนี้นะแต่ถ้าทามันไม่คิดนิ่ม ไม่ผิดปกติที่เราคิดเนี่ยเพราะเราเรียนรู้วิชาคิดเราคิดตามข้อมูลที่เรามีอยู่ตามความรู้แบบภาษานะก็ลองดูนะมาถึงแล้วก็ลองลองลองทำดูทีนี้ก็สำคัญว่าอันนี้พ่อโคต่อเติมให้นะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นเห็นจิตทำไมทำไมต้องเห็นจิต นะเห็นจิตเพื่ออะไรจริงๆแล้วเราฝึกสัมมาฐากรรมฐานมีหลากหลายอุบายวิธีนะตามลมหายใจอริยบท อ, อ, อะไรก็แล้วแต่มีมากมายเมืองไทยมีแค่ไม่กี่อย่างหรอกนะเหมือนเหมือนบล็อกไว้ห้ามทมเกินนี้เ <c oughs> พราะครูบาอาจารย์จะควบคุมไม่ได้ถ้าเราออกไปข้างนอกนะพุทธศาสนาเรากว้างใหญ่ไพศาลนะ โอ้มีหลายลัทธินิกายมีหลายอุบายวิธีเยอะมากนะก็แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจากสมถะพัฒนาไปสู่วิปัสนาเป้าหมายของวิปัสนามีอย่างเดียวเท่านั้นให้เราเข้าถึงกฎพระไตร ล, ลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ให้ไปเป็นเทวดาเป็นโน่นเป็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่ไอ้ที่เห็นนั่นให้เราสัมผัส ความไม่เที่ยงแท้ของมันเห็นอารมณ์ดีเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วมันก็ดับเห็นอารมณ์ไม่ดีมันก็เกิดมันก็ดับนะเป็นเทวราดีๆเนี่ยตกสวรรค์มาปุ๊บเกิดเป็นขอทานเป็นขอทานดีๆตายปุ๊บไปเป็นเปตระศูลกายนะเราจะเห็นความไม่เที่ยงแท้ของมันมันเป็นจิตอ น, นิจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือความจริงอย่างยิ่งของธรรมชาตินะ เป็นความจริงที่ผู้เจ้าไปตัดสรุมาก็คือว่ามันเป็นคำว่าไตรลักษณ์เนี่ยลักษณะสามประการของธรรมชาติคือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมันดำรงอยู่ได้ยากไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างมันอยู่ได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์เพียงแต่ว่าอายุขายเขานานหน่อยหนึ่งน่ะค่อยๆเผาผ่านไปเรื่อยไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างที่อยู่ยงคงกพัน เพราะมันมันเป็นทุกขังมันดำลงอยู่ได้ยากเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นของชั่วข่าวนะเหมือนตัวเราเนี่ยไอตัวกูมึงห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายนะกกูไม่ชอบเลยกูเห็นแล้วกูไม่ชอบเลยมันเชื่อเราไมมันก็ไม่เชื่อเรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของใครที่เมื่อวันก่อนพ่อกูบอกมันเป็นมูล มูลเนีมันเป็นทรัพย์สินของธรรมชาติแต่เราไปคิดตูวว่าให้ตัวกูละเราผิดศินแล้วนะเราไปขโมยของธรรมชาติเป็นของเราเราทําผิดธรรมชาติด้วยเราไม่ซื่อสัตย์กับเขาเราไปขโมยของเรามาเราทุกข์แน่แน่เราผิดศินละมันไม่ใช่ของเราซะหน่อยหนึ่งอพิสู์ได้ยังไงเอาลองเอาไปเผาสิไมหมหลืออะไร กลายเป็นอากาศธาตุที่เดือเป็นธาตุดินขึ้นสู่ธรรมชาติไม่ใช่ของเราสักหน่อยหนึ่งเออเราไปขี้ตู่จิตสร้างความรู้ผิดขึ้นมาสร้างอัตตาตัวตนก็นเหลืองว่าตัวกูเพราะมีตัวเราหลวงอาจารย์บุทธรรชาตบอกมีตัวกูก็ก็เลยมีของของกูมีลูกกูมีบ้านกูมีเงินกูมีมีลาบเสริเสริญของกูเนี่ยทุกสิเราผิดศีลมันไม่ใช่ของเราเราคิดตูว่าเป็นของเรา เราไปแย่งของธรรมชาติมานะก็ทีนี้เป้าหมายคือเห็นเห็นกฎพระไตรลักษณ์และทำไมคนนี้เห็นคนนี้ไม่เห็นล่ะคนนี้เห็นช้าคนนี้เห็นเร็วเน่มันมีอุปสรรคอะไรเหรอนะผู้เจ้าก็ตัดไว้ว่าสิ่งกั้นบังนะทำให้เราไม่เห็นเนี่ยเห็นไตรลักษณ์นั่นน่ะ มันมีสิ่งกั้นบังคือหนึ่งสันสติกั้นบังอนิจังตัวสันสติเนี่ยตัวสืบเนื่องของการเวลาระหว่างอาดีตปัจจุบันอนาคตระหว่างรูปเกิดดับนะความเร็วตรงนั้นนะเป็นพลังสันสตินะอย่างเราจับของเรานะไอ้หัวใจมันเต้นตึ๊บตึ๊บึบึบนะบางทีมันเต้นอยู่ครับในคิ้วซ้ายคิ้วขวาเนี่ยนะเราฝึกเราฝึกเยอะๆบางทีมันขึ้นมาทั่วล่างเลยนะ นะมันปุ๊มันเป็นพลังงานของจิตนะตัวสันตินี่มันทำให้ทุกอย่างรูปนามเกิดดับนะอันนี้สัญติเฉพาะหน้าสันติใหญ่คือมันขับเคลื่อนวัตฏะสงสารด้วยกระแสกรรมมันวิ่งยังไงนะมันต้องอาศัยพลังสันติอย่างเราไปดูภาพยนตร์เนี่ยเห็นผู้ร้ายเอาปืนขึ้นมายิงพระเอกเราคิดว่าเป็นภาพเดียวไหมนะไอ้ภาพที่มันยิงพระเอกเนี่ย มันหลายร้อยภาพซ้อนกันอยู่มันเร็วมากแต่เรามองไม่เห็นตอนมันเกิดดับเราก็คิดว่าเป็นภาพเดียวนั่นแหละที่เราไม่เห็นความเป็นอณิจังของมันเนี่ยนะมันถูกตัวสันติกั้นบงังเราต้องมีสติที่เร็วกว่ามันเราถึงฝึกสติต้องเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมะจัดและเราจะเห็นการเกิดดับชัดขึ้นนะเรารู้เท่าสัญชติฆ่าไม่ตาย มันเป็นพลังงานของจักรวาลมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะเรามีหน้าที่มีสติมีปัญญารู้เท่าทันมันเท่านั้นเองนะตัวสันตินี่าไม่ตายมีรู้เท่าทันมันเท่านั้นเองนะนนนนนงนะแล้วก็อันที่สองนี่ก็สําคัญไม่แพ้อันแรกอริยบทกั้นบังทุกข์นะอริยบทกั้นบังทุกขง ชีวิตเรานั่งอยู่บ้านเบื่อเว้ยเปลี่ยนรจิบทไปเที่ยวดีกว่าเห็นไหมเราเปลี่ยนรจิบทใหมไปเที่ยวพอมันจะมันจะทุกข์เพราะความเบื่อเนี่ยความทุกข์นั้นก็หายไปเราหนีทุกตลอดเวลาเราจึงไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์จึงไม่เห็นธรรมเห็นไหมอริยบทกั้นบังโอ้อยู่บ้านร้อนเปิดแอร์ดีกว่าเห็นไหมเปิดแอร์ก็เย็นเย็นอยู่เฮ้ยเบื่อเว้ยเหงา ไปเที่ยวดีกว่าเดินไปมันเมื่อยไว้นั่งรถรถดีกว่ารถช้าไปถีเครื่องบินดีกว่ามนุษย์เราหนีมันตลอดเวลาเปลี่ยนเรืยบทใหม่เนี่ยเราจึงไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์จึงไม่เห็นธรรมอันนี้อันที่สองมันเป็นสิ่งกั้นบังทําให้เราไม่เห็นทุกขังไม่เห็นไม่พอนะสร้างตัวตนขึ้นมาเลยเห็นไหมเออไปคิดแต่ว่าเหมือนเราอยู่อยู่โยมคงกพันอยู่เป็นล้านปีนั่นแหละ สร้างธุรกิจเยอะๆมันอยู่ตลอดให้ลูกให้หลานมันมาแบกต่อนะเราไปสร้างกองทุกข์ขึ้นมาเองคล้ายๆว่าอยากให้มันมั่นคงถาวรจริงๆแล้วเราหนีธรรมชาติไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างมันอยู่ยงคงกะพันเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกขังมันดำรงอยู่ได้ยากสิ่งที่ทำให้เราไม่เห็นทุกข์ตรงนี้เนี่ยเพราะอาริยบทกันบังเราหนีทุกข์ตลอดนะ อันสุดท้ายนี่ก็สำคัญหมดแล้วทั้งสามอย่างเนาะคณะสัญญากั้นบังอนตัตตาเกิดมาปุ๊บไม่มีชื่อเขาเรียกว่าเด็กทาลกเห็นั้ยเด็กทาลกไม่ได้แยกหญิงแยกชายมาแยกทีหลังอันนี้เด็กชายเด็กหญิงนะเด็กทาลกภาษาอังกฤษบอกเบบีเขาก็ตั้งชื่อชื่อบัญชาเด็กชายบัญชา หนึ่งสัญญาบันทึกไว้เรียบร้อยละฉันชื่อบัญชานี่พ่อนะสองแม่นะสเงินนะ4ี่ห้าหเจ็ดปดหลายๆสัญญารวมกันกลายเป็นคณะสัญญาเป็นกลุ่มเป็นก้อนสร้างอัตตาขึ้นมาอันนี้กั้นบังอนัตตาทำให้เราไม่เห็นอนัตตาเราเราเราเป็นเราชั่วคราวไง แต่ตอนนี้เราสร้างอัตตาขึ้นมาเหมือนเป็นเราอยู่ชงกุกพันเนี่ยจะไม่ตายสักทีหนึ่งนะไปยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดก็คือเราสร้างมันขึ้นมาเองเนี่ยไอ้สามอย่างนี้เนี่ยทำให้เราไม่เห็นกฎพระไตรลักษณะสามประการของธรรมชาติถ้าเราเห็นเห็นจนชัดเจนแล้วแล้วจิตปัจจุบันมันยอมรับโดยดุษฎีเลย ว, ว่าเออทุกอย่างเป็นอันนี้จังทุกนาตามันก็จางคลายความยึดมั่นในขันห้านี้ จิตก็หลุดพ้นหลุดจากความหลงก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลยนะไม่ต้องขอวีซ่าต่างหากหตำรวจก็ไม่จับอีกทำไมเราทำไม่ได้เหรอติดอะไรเหรอหติดอะไรเหรอลองถามตัวเองนะติดมันอยากรู้อยากเห็นนะรู้ไหมกดเพจตลักไม่เห็นเลยยังจะไปเห็นว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นยังไงพญานาคเป็นยังไงอะ้วมันจะเป็นไหนล่ะ ไปเพิ่มขยะเข้ามาอีกเนะแล้วสีเวลาเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งอีกไอ้แค่ที่มันมีอยู่เนี่ยก็เอาไม่ไม่ทันแล้วเนาะน้าอยไปมองสิ่งอื่นมองตัวเองเยอะๆนะก็ยังมีเวลาหน่อยหนึ่งเนาะพวกคูณมาก็มีคํานึงคือหลังจากพ่อกูณว่างๆจิตมันก็ดูตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตาย ไม่ต้องดูคนอื่นนะดูประวัติตัวเองเนี่ยดูมาตลอดนะถ้าเราเดินแบบขบวนการสังคมทุกวันนี้เนี่ยพ่อครูบอกว่าชีวิตที่ขาดทุนชีวิตที่ขาดทุนการศึกษาทุกวันนี้เราเรียนก็ขาดทุนก่อนเราจะเกิดมาเป็นยังไงวะนะคุณแม่ขาดทุน8ดเดือนเก้าเดือนอุ้มทองนะ ตอนนั้นก็เป็นพาระแบกพาระเนี่ยวันที่จะคลอดเดีดตายก็เป็นเนี่ยเจ็บปวดนะลงทุนขนาดไหนนะเกิดมาแล้วเด็กมันก็ร้องไห้แหกปากร้องนะนะซื้อพ่ออ้อมปุ๊บนี่ก็ใช้เงินค่าใช้จ่ายทุกอย่างใช้เงินลงทุนตั้งแต่แรกไปเรียนหนังสือก็ใช้เงินลงทุนใ น, นแง่เงิน แล้วก็ลงเวลาด้วยตั้งแต่อนุบาลไปเฉลี่ยแล้วเอาละ20่ปีนะส่วนมากทุกวันนี้เรียนเกินนะอายุเรา2ี่สกว่ามันจะจบปรยาตีโทเอกอะไรเนี่ยเอาแค่20ปีนะลงทุนลงแรงลงเวลาลงเวล า, ลวลาของชีวิตไปเรียนรู้วิชาอะไรก็ไม่รู้เพื่อจะเอามาทำมาหากินนะโอเคแล้วก็เฉลี่ยเราทำงาน40ปีจาก20ถึง60บนะ ตอนนี้จบปริยาตีมาปุ๊บอันนี้ดีใจนะโอ้เขาประกาศว่าปริยาตีได้หมือนหจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอาว่าให้หมื่นห้าถ้า1มืนห้าชีวิตในเมืองอะไรทุกวันนี้ไม่พอกินโอเคประหยัดมากเลยหากค่าใช้จ่ายค่าอยู่ค่ากินแล้วไอ้ที่เหลือถึงจะเป็นกำไรนะ ถ้าสะสมกำไรนี่ไปตลอดถึงกเกษียณ60สิปีเลยก็จ่ายหนี้ที่เราไปลงทุนเรียนไม่พอเอาเป็นว่าไต่เต้าไปอีกสัก2ี่สปีทำงาน2ี่ปีครึ่งหนึ่งจากไม่ค่อยพออ้าวค่อยๆขึ้นเงินเดือน ก, ก็พอแค่อยู่ได้แต่อีก2ี่สปีหลังเนี่ยนะักวิชาการคำนวณมาแล้วนะพวกกูว่าถ้ามึงใช้ชีวิตแบบนี้เราสุดท้ายแล้วมาเป็นทาสานดีกว่าเขาบอกว่าเมื่อเมื่อเกษียณแล้วอย่างน้อยๆเนี่ย เอาละ60สปีฉเฉลียอายุ80ปีเนาะเสียชีวิตอีก20ปีต้องกเกษียณเนี่ยเราต้องมีเงินอย่าง น, น้อยสี่ล้าน8 000, ถึงหล้านโดยเฉลี่ยว่าเดือนหนึ่งต้องใช้สองหมื่นนะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เจ็บป่วยด้วยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยนะชีวิตเรามีแค่นี้เหรอเออถ้าเราทำได้จริงๆเออมีเงินแค่นั้นแล้วก็เดือนหนึ่งันใช้สอง 0,000 ืนอย่างประหยัด ก็รอวันตายเฉยๆนะ่ะท่านในแง่ลงทุนของชีวิตในแง่ลงทุนเรื่องเอาเงินไปลงทุนเนี่ยเราขาดทุนตั้งแต่แรกแล้วไม่คุม้มเอาเงินที่จะไปเรียนบางคนเรียนโรงเรียนานานาชาติเรียนเอาเงินตอนนั้นใส่ธนาคารให้ลูกใส่ใส่ใ ส, ใส่ไม่ต้องเรียนอะไรนั่งเฉยๆลูกนะใส่ใส่เข้าไปเนี่ยดอกทบต้ น, นมันจบออกมาแล้วไม่ต้องทํางานยังมีเงินมากกว่าอีกสมมุติอย่างนี้อันนี้ท่านในแง่ทางโลกก็ขาดทุนแต่ในทางทําไม่ต้องพูดถึงหรอก ขาดทุนมหาศาลเลยกว่าเราจะลงทุนกี่ชาติแล้วเนี่ยสร้างบารมีมากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยคิดเป็นเงินเนี่ยไม่รู้มันกี่แสนล้านนะแล้วเราก็มาใช้ชีวิตลำลงชีวิตเพื่อเรียนเพื่อไปทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วเพื่อเอาไปาบ้านไปกเกษียณเพื่อจะได้อยู่ได้เนี่ยนะไอ้นี่อายลิงนะไปเรียนวิชาลิงดีกว่าเห็นห ไม่ต้องไปทุกข์พะจะไปเรียนแล้วก็จบมาก็ทุกข์เพราะหางานทํางานทําเขาก็กระตุ้นให้แข่งขันเหงื้อไหลไครย้อยก็เป็นมะเร็งเป็นโรคเครียดกันไปหมดนะ่ะทำไมมนุษย์ต้องตั้งโจทย์ให้ชีวิตเป็นแบบนี้เราแล้วลมีกี่คนเอาเฉลี่ยนะร้อยคนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะ่ะบรรจุหมืน่ 15, นะ้าเนาะกว่าจะขึ้นเงินเดือนอะไรยี่สิบปีมันขึ้นได้เท่าไหร่ไปคํานวณนะขึ้นแล้วมันก็ต้องใช้เงินเยอะกว่าเก่าเงินมันเฟอ้อขึ้นไปเรื่อย แล้วอีก40ิปีข้างหน้านั่นใช้เดือนหนึ่งสองหมื่นก็ไม่พอทำไมชีวิตเราต้องมาเป็นแบบนี้นะที่พระกูบอกชีวิตที่ขาดทุนถ้ า, เ ป, เ, ปาเป็นการลงทุนเนี่ยเราขาดทุนชีวิตเราหมดอย่าไปพูดถึงเรื่องทางธรรมะทางเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยอันนี้ขาดทุนมาหาโหรานเลย แทนที่จะเอาเวลาตัวนั้นมาเดินทางต่อให้มันพ้นทุกข์มันจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเอาเวลาไปเรียนวิชาเพื่อจะอยู่ได้ถ้าแค่อยู่ได้นี่ลิงก็อยู่ได้ทาสานก็อยู่ได้อยู่ดีกว่าเราด้วยไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรด้วยไม่ต้องมีเจ้าหนี้ลูกหนี้เห็นไหมทำไมมนุษย์ผู้ประเสริฐเราถึงมาวางแผนชีวิตให้เป็นแบบนี้คนไม่มีอยากมีก็ทุกข์คนมีแล้วเนี่ย กลัวเขามาโกงกลัวเขามาขโมยก็ทุกข์อีกไม่พออยากมีเพิ่มอีกทุกซ้ำซ้อนคนจนเขาอยากมีเขาทุกข์แค่อย่างเดียวนะคืออยากมีแต่คนมีแล้วนี่ทุกหลายอย่างนะทุกพจนรักษาความมีนั้นก็อยากมีเพิ่มอีกอันนี้ทุกสองอย่างคนมีเพิ่มแล้วนี่มองก็ไปมันมีมากกว่าเราแล้วก็มีชื่อเสียงมากกว่าเรามีลาบแล้วอยากมียศอีกเนี่ย น, นี้ทุกสามต่ออ้า พอมียศฐานมันดาศักด์แล้วลูกน้องมาเกินเราไม่ใช่เบอร์หนึ่งมันก็สรรเสริญเบอร์หนึ่งเราก็อยากสารรเสริญอีกนะอันนี้ทุกสี่ต่อสุดท้ายแล้วเนี่ยพอกูสรุปให้ฟังว่าที่เราทุกเนี่ยเป็นเพราะไม่ใช่เราไม่มีเป็นเพราะเรามีไม่ใช่ทุกเพราะไม่มีนะนะอันดับแรกเรามีกรรมไงเราถึงต้องมาเกิด เกิดบรรแรกทุกไหมแหกปากล้อแล้วเห็นไหมเห็นไมเพราะต้องมีกรรมเราจึงมาเกิดทีนี้เกิดปุ๊บธรรมชาติก็ให้เครื่องมือดำรงชีวิตเราคือหนึ่งเอาขันห้าไปเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตแถมมาด้วยอายตนะทั้งหตาหูจมูกดิ้นกายใจ <c oughs> เอาหมายแถมมาด้วยเพื่อเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตทำไปทำมาเราก็ไปติดในขันห้านี้ไปสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมานะ แล้วก็ไปใช้อายตนะนิมาเสพแทนที่จะใช้ตามมามองนะผู้เจ้าบอกสถานที่อโครจรอย่าไปนะอันนี้ชอบไปมากนะอันนี้ก็สวยสวยชอบชอบ่อะก็ต้องหาเงินแล้วก็ไปซื้อมันมาอันนี้ก็หอมหอมอันนี้ก็เพราะเพราะพอเขาด่ามาก็เลยทุกง่ายอันนี้ก็อร่อยอร่อยแทนที่จะใช้อายตนะถ้าเรากินปุ๊บอะไรอร่อยเกินไปอย่า ก, กินนะ มันเป็นพิษเห็นไหมไอ้ที่พ่เพาะ อ, อย่าไปฟังนะมันสรรเสริญเยนยอนอะ่ะไปติดลมแนะเพราะวันไหนเขาด่ามาก็ทุกข์เราไม่รู้เท่าทันอนญตนะเร า, เอาอ่ยสนะมาเสพทุกข์แน่แอันนี้ก็นิ่มๆนะชอบชอบพอไปเจอเขาเอาไม้แข็งเนี่ตีหัวนี่อันนี้ก็แข้งแข็งฉันไม่ชอบ ทั้งหมดคือเราไม่เข้าใจชีวิตเกิดมาวันแรกมันก็ทุกข์มากมายแล้วแบกขันห้านี้ยังไปหาเรื่องแบกขันหขันเจ็ดขันแปดยังจะไปรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวยูไอพญานาคอยู่เวียงทิ้งไอที่มีอยู่แล้วมันทุกข์มากมายลมากมาสะสางคดีความเนี่ยไม่ใช่เวียงขันหทิ้งวิธีง่ายมากนะเวียงขันหทิ้งไม่ยากก็ไปเผามันก็จบแล้วไงเผาแล้วไม่จบนะ ไม่ใช่เผาอย่างนี้นะเราต้องเวียงมันทิ้งตั้งแต่เราอยู่กับมันนี่แหละนั่นะต้องวางมันซะอยู่กับขันน่แต่อย่าไปหลงขันขันห้าเป็นแค่เครื่องมือเครื่องมือที่เหลือคือแค่เอามาสร้างความดีเท่านั้นเองกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราไม่มีทางหนีหมันได้ถ้าเราไม่บรรลุนิพพาน มันจะมีกายใหม่ส่วนกายมันแข็งแรงสวยกว่าเกา่าหล่อกว่าเกา่าจนกว่าเกา่าหรือขี้เลยกว่าเกา่านะมันอยู่ที่โปรแกรมที่เราสร้างต่างกันทุกคนเสมอภาคไม่ต้องเรียกร้องสิทธิทเสมอภาคทุกคนเสมอภาคกันหมดอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกันหมดมันต่างกันที่ว่าใครบุญมากกว่าบุญน้อยกว่าเท่านั้นเองเสมอภาค ทุกวันนี้ทำลายสิทธิทำลายเสรีหมดแล้วก็มาเรียกร้องเสรีกันมนุษย์เรามันอะไรก็ไม่รู้เพาะครูก็เป็นอย่างนั้น4ี่ปีนะออก็โง่งกับเขา4ี่สิปีถ้าไม่อยากแบกขันห้านี้อีกเนี่ยจำแม่นๆอย่าหลงมาเกิดอีกมีทางทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเห็นไหมชีวิตที่ขาดทุน ไม่ใช่ขาดทุนชาติเดียวนะมันไปจ่ายหนี้อีกชาติต่ตอไปไมันว่ากี่ชาติอ่ ะ, ะไอ้ที่บุญบารมีก็สร้างมาเยอะๆยะแทนที่จะสารต่อเนี่ยให้มันดูดออกจากวัาสงสารเนี่ยยังมาสร้างกรรมใหม่อีกเนี่ยทำยิ่งมายิ่งขาดทุนยิ่งมายิ่งขาดทุนนะโอ้ยเบื่อกายนี้จังเลยเบื่อมันมากเลยถึงยิ่งมันตายฆ่าตัวเองตายเนี่ยคิดว่าจะหนีกายพ้นเหรอเดี๋ยวไปเกิดกายที่มันทุกข์มากกว่าเก่าอีก นีไม่พ้นหรอกนะเนี่ยพวกครูถึงเลิกนับถือพุทธเจ้าไงคำว่านับถือนี่มันอยากไปบูชาถวายชีวิตพระองค์ไปเห็นได้ยังไงแล้วรู้วิธีแก้ด้วยไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่านั้นแหละนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นลิ้นหรือพูดเล่นๆคือมันเป็นของจริงเป็นของจริง คำว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่รู้สุดยอดกี่ครั้ง พ, พูดก็พไม่จบหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาชีวิตเราแบเบ็ดเสร็จเลยชีวิตในวัฏฏะสงสารน่ะมันไม่ใช่แค่ชีวิตเดียวนะโอ้ตั้งแต่เกิดมาจนแก่890ินี่อันนี้นิดเดียวแค่ผงผงละอองนิดนึงก็ใหญ่เกินไปนะถ้านนับจากชีวิตในวัฏฏะสงสารไงแต่ละดวงจิตเนี่ยนะ ถ้าเราไปเห็นอดีตเราเนี่ยเราสะสมกองกระดูกเราไว้เนี่ยตั้งแต่เป็นเสือเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นช้างเป็นไดโนเสาร์เป็นเสียทีปัญญาจกมาเนี่ยทุกคนทุกดวงจิตมีกองกระดูกสูงเท่าภูเขาพัสดุเมนสนุกดีเนาะยังจะเกิดมาสร้างกระดูกอีกไหมนี่แหละคือความยิ่งใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นวิชาเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นวิชาเทคนิคที่ว่าง่ายที่สุด ไม่ต้องเรียนไปแทบเป็นแทบตายแล้วก็เรียนก็ทุกออกมาทํางานก็ทุกอีกวันจะตายก็ตายไม่หลงก็ทุกอีกวิชานี้เรียบง่ายไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเลยพ่อคงรู้ได้ยังไงมีแค่เครื่องมือ4ี่อย่างเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมแล้วเราไปเดินทางไปไหนก็ไปด้วยไงเออพ่อครูเคยตีกรอบสมัยก่อนพอไปบินไป ต่างประเทศอะไรไม่มีเวลาด้วยจะไปตีก๊อบเนี่ยก็ต้องวิ่งไปสนามก๊อบใช่ไหมอั น, นี้จะปฏิบัติปฏิบัติเมื่ อ, อไหร่ก็ได้ไงมีอะไรพระองค์สมัยชาญฉลาดอย่างนี้ไม่ต้องไปสแสวงหาเครื่องมือที่ไหนเลยแ ล, แล้วจะกล้านับถือพระองค์ไหมคำว่านับถือนี่ยาบไปเพราะครูมาใหม่ๆนะก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็น ชาวฝรั่งเศสชาวอิสาเลมาบวชในวัดป่าบ้านเราเนี่ยนะก็มาสนทนาธรรมกับพระครูอยู่มีท่านหนึ่งเอาตัวนี้อาวุโสมากล่ะในสายวัดป่าเนะพระครูถามว่าหลวงพี่สมัยก่อนนับถือศาสนาอะไรท่านบอกศาสนาคริสทําไมหลวงพี่เปลี่ยนศาสนาท่านบอกศาสนาพุทธ มีเหตุผลไม่ได้คุมถงชนไม่ใช่ศรัทธาแบบหลงงมงายเห็นไหมคำว่านับถือเราเปลี่ยนได้ถ้าเราเลือกเชื่อแต่คำว่าบูชาเนี่ยพวกครูบอกตรงๆนะยี่บกปีผ่านมาจนถึงวันนี้นะ่ะคำว่าบูชายังหยาบไปแต่มันไม่มีภาษาอะไรที่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันไม่มีวันเปลี่ยน ไมไม่ใช่เราไปเชื่อนับถือเพราะว่าเขาพูดเก่งเขาพูดแบบใช้ติตวิยาแล้วเราไปเชื่อเขานะหลายคนนั่งที่นี่เนี่ยไม่เคยเห็นเจ้าชายชิรธาเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วทำไมเราศรัทธาพระองค์แล้วทาไมเราบูชาพระองค์ จริงๆแล้วเราเคยเห็นเราแกล้งลืมเฉยๆเนอะพราะคุณเจ้ามาที่นี่นะก็มาแลกเป็นกับพระครูนะพรอครูชอบแลกเปลี่ยนให้ท่านชีน้แนยท่านสมัยพุทธการเขาปฏิบัติอย่างนี้เหรอเออเออผู้เจ้าปฏิบัติอย่างนี้เหรอพระไตรปิฎกมีไหมพระครูถามว่าหลวงพี่บอกพุทธการเป็นอย่างนี้เราหลวลงพี่ไปมาหรือยังหลวงพี่ทูได้ยังไง นี่ไปมาแล้วนะเราแกล้งดื่มนะเพราะสติเราไม่ถึงไงเรามีแค่อนุสติเล็กๆแบบนี้นะมันไม่มีมาหาสติมันจะไปดูได้พอความรู้ที่เป็นออกมาไม่แต่ไปอ่านเขาว่าเขาว่าเขาว่าอยู่ตรนั้นแหละไอ้ท่องจําเขาว่าเขาว่าต้องจํานะตอนนี้พูดแรงๆนึกขนาดว่าถ้าชาตินี้ใครเกิดมาไม่ได้ยิน อย่าไปพูดตรงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าพรอคูไม่มีเจตนานะไม่มีคำพูดผู้ทีเจ้าไม่ได้ยินฟังเนี่ยตกนาลกหมดพูดอย่างนี้นะพูดได้ยังไงพราครู4ี่สิปีเขาก็ให้นับถือศาสนาพุทธเออในในทะเบียนบ้านศาสนาพุทธปุแสดงว่าพรอครูเห็นคำพูดเจ้าเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องศาสนาเลยศีลห้า ก, ก็ไม่มีอีกทำไมมานั่งอยู่ที่นี่ได้ล่ะไรสาละโอเค ถ้าพระรูปเจ้าองค์ปัจจุบันเนอะโดยเฉพาะกับนี้เนี่ยนะกับนี้ที่เขาบอกว่าจะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยองค์ปัจจุบันที่เราคารมเนี่เป็นองค์ที่สถ้าเป็นคดในสายพุทธบันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีก27องค์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยองค์นี้องค์ที่28และอีก27องค์นั้นไม่เคยได้ยินคำพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเขาบรรลุทําได้ยังไงพูดให้มันขัง ยิ่งพูดอย่างนี้เด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่เอาเลยน้นักวิทยาศาสตร์เขาบอกไกล้สาระเป็นไสยศาสตร์พูดให้มันขังโอ้ยบรรลุทำแล้วเนี่ยไม่บวชมันจะตายมันจะร้อนพระลหันกลัวตายเหรอพระลหันกลัวร้อนเหรอนะพูดให้มันขังนะพระอยู่ในภูเขาจิตพระอยู่ในเขาผู้หย ทุกวงจิตมีพุทธจิตอยู่แล้วไม่ใช่เครื่องแต่งกายไม่ใช่ทรงผมแต่ที่นี้เราบวชเราอะไรเนี่ยมันเป็นอุบายของพุทธเจ้าน่ต้องมีพุทธบริษัทสีอา้าถ้าไม่บวชโดนด่าเลยนะทำไมไม่ชีไม่ด้วยจะไปทำมาหากิน เ, เขาก็ว่าเรานะ้วงถึงจัดพุทธบริษัทสี่เนี่ยทำหน้าที่ที่ต่างกัน มีใครกล้าไหมไหมมาการ์บอกไม่ชีกล้าบอกพระภิกษุว่าไปว่าเขาไปทําไมมาหากินบาปกรรมนี่คืออุบายไงเราจะได้มุ่งมั่นศึกษาธรรมไงให้ส่วนญาติโยมทำ ม, มาหากินแล้วเนี่ยพระองค์ก็ต้องสอนว่าเออภิกษุภิกษุณีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องกังวลเรื่องทำ ม, มาหากินมุ่งมั่นศึกษาธรรมส่วนญาติโยมผู้คลองเรือนเนี่ยเขต้องทํามาหากินก็ต้องแบ่งเวลาเนี่ย ไปเลี้ยงพระเลี้ยงนักบวชเลี้ยงแม่ชีภิกษุณีอะไรเนี่ยนะเออพอเราเอาเอาอาหารนี่ไปถวายวัตถุทานไปเลี้ยงพระเลี้ยงนักบวชเนี่ยเพื่อให้ท่านอยู่ได้ท่านกลัวเป็นหนี้เราเนี่ยท่านก็ให้ธรรมทานเราคืนศา ส, สนาถึงมาอยู่ได้ทุกวันนี้ไงมันเป็นอุบายที่แยบยน พวกเราหลายคนพ่อครูก็โดนว่าทั้งหลายปีเลยนะเนื่องจากว่าไม่ไปบวชเหมือนเขาไงใช่ไหมหนีมาเหรอหมดอะไรตายอยากเหรอสิ้นไรไม่ตอกเหรอมาอยู่ที่นี่ไม่รู้จักไปทํามาหากินเขาก็ว่าไงแต่พ่อครูไม่ได้ยินทัดทีหนึ่งไม่เคยได้ยินเลยนะไม่ต้องให้อภัยด้วยนะว่าพ่อครูเข้าใจเขา พ่อคูเคยเป็นแบบเข้ามาแล้วแต่เขาไม่เคยเป็นแบบพ่อครูเขาไม่มีวันเข้าใจหรอกอย่าไปเสียเวลาให้อภัยทานนะมันเหนื่อยก็ไม่ได้ยินไงไม่ต้องสักแต่ว่าได้ยินนะไม่ต้องสักแต่ว่าเลยได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินไงสักแต่ว่านี่ยังเสียเวลานะเตือนสติว่าสักแต่ว่านะอย่าไปโกรธมันนะเห็นไหมยังสักแต่ว่าพวกเรายังสักแต่ว่าอยู่เนี่ยอย่าไปหาคําถามใหม่นะทำไมทําไมนะเดี๋ยวมันสักแต่ว่าไม่ทัน มันยังไม่ปลอดภัยนะจนมันถึงขั้นว่าได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยิ น, นเห็นก็ได้ก็มไม่ได้เห็นนั่นแหละอันนั้นปลอดภัยนะอันนี้สักแต่ว่ายังไม่ทันเลยยังถามว่าทําไมทําไมอีกเออถ้าถามตัวเองทําไมก็ยังค่อยยังชั่วนะเพรอเออปลดปุ๊บมันก็เป็นความก้าวหน้าไปถามเรื่องคนอื่นถามเรื่องสิ่งอื่นเนี่ยมันได้อะไรมันได้ขยะนะเพิ่มสัญญาขึ้นอันนี้ก็ถามมาตรงๆเพกูตอบตรงๆนะ เออบอกว่าถามได้ไหมคะเป็นการเพิ่มความรู้บอกไม่ได้เพราะคูไม่ให้ความรู้ใครนะไม่เพิ่มขยะให้ใครทั้งนั้นแหละความรู้อย่างเดียวที่ทุกคนต้องจำไปคือเวียงทิ้งแม้กระทั่งคาว่าเวี่ยงทิ้งก็เวียงตัวมันทิ้งไงมันไม่ใช่คำบริกรรมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลัทธินิกายไม่ใช่ชื่อนะมันเป็นกิริยาเตือนเราว่าเวียงมันทิ้งนั่นแหละถ้าเวียงไม่ทันมันก็สักแต่ว่าไม่ทันนะ แค่นี้ก็ไม่ทันแล้วยังอยากทำไม่ทำไม่อยู่เนาะยังไม่ปลอดภัยนะเหมือนน้ำแก้วนี้แหละเราเททิ้งทุกวันพอเทเสร็จมันมีสุญญากาศเนี่ยเราก็เอาฝาปิดฝานี่คือสติพอไปทำงานปุ๊บบางทีเจอลูกโตๆปุ๊บมันก็กระเพื่อมันก็ดูดเข้ามาอีกเต็มอีกแล้วก็มาเท อ, อีกนะต้องระวังสารวมระวัง จนกว่าวันไหนเราควาำแก้วนั่นอ่ะปลอดภัยปลอดภัยนะแต่หนีกรรมยังไม่พ้นนะเจ้าชายศิทะตัดสรุปเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยังหนีกรรมไม่พ้นเห็นไหมยังโดนพระเทวทัตเล่นงานเพราะมันยังมีแก้วอยู่ไงแต่เมื่อไหร่เราละสังขารแล้วเนี่ยไม่มีนั่นแล้วเนี่ยนั่นแหละกรรมไหนก็ไล่บี้เราไม่ทัน ส่วนตอน ม, มีแก้วเราคว่ำแล้วเนี่ยใช่ไหมเขาก็ชนแก้วมันกระทบมันไม่กระเทือนไงจิตไม่โง้อที่จะไปทุกข์เท่านั้นเองนะถ้ายังไม่คว่ำแก้วเนี่ยอย่าประมาทเอาเวลามาสักแต่ว่าดีกว่าอยาว เ, เวลาไปถือไมเลยทําไมทําไมบอกแล้วไม้นี้ให้พระครูถือคนเดียวทําไปเรื่อยๆชอบทําไมอยู่เรื่อ ย, <c oughs> ออยเอยจ้าเก่าเนาะนะ ไม่รู้อะของใครละ่ะแต่ว่าจิตมันบอกว่าของใครมันรู้อยู่แต่เจ้าตัวเป็นยังไงเพราะคุณไม่ยังไม่รู้หรอกเนาะไม่รู้ชื่อเขาด้วยแต่จิตมันรู้ก็เตือนว่าอย่าประมาทอย่าเวลาไปรู้อะไรมากเลยโอย้ตรงนั้นดีนะก็วิ่งไปตรงนั้นดีนะก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปของดีไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในอยู่แล้วเห็นไหมนิพพานมันอยู่ข้างในอยู่แล้ว ไม่ต้องไปวิ่งหาข้างนอกหรือว่าจะไปถามมนุษย์ต่างดาวเหรอมนุษย์ต่างดาว please to tell me where is n i r v a n ฮ้<笑><笑>อ้อะไรกันนักหนาบางคนทุกวันนี้หาเงินหาเงินนะเพราะว่าต้องการมีฐานะทุกคนต้องทำงานหาเงินไม่มีมันจะอยู่ได้ยังไงต้องมีสัมมาชีวะ หาไปหามากลัวสู้เขาไม่ได้ก็กังวลทํางานหนักทีนี้ก็กลัวบากเลยก็แบ่งเอาเงินมาทําบุญมาทําบุญไปซื้อบุญะไปสะสมบุญอยู่นะแล้วก็ทําบุญสาธุให้รวยกว่าเก่าอีกแทนที่จะได้บุญนะเอาเกียร์ยออกไปสิเเพิ่มมาอีกยี่ินี่ยขาทุนไปอีกสิบอีกแล้วนคนทุกวันนี้เป็นแบบนี้ไงเนาะ ทำบุญตามบุญไม่ใช่บุญนะสะสมบุญนิกิเลต น, นะที่เราทําบุญทําทานเนี่ยบุญเกิดจากการให้ทานทานคือจาคะคือสลัดความโลภความตเนียออกบุญคือเบาบาปคือหนักทําเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้แล้วไปสะสมบุญเนี่ยเขายังสอนด้วยนะจดไว้นะจดไว้วันที่จะขาดใจตายเนี่ยท่องไปเลยนะจํามันเลยนะโอ้อันนี้ไม่ใช่สวรรค์สมบัตินะบางที ตกนรกเลยนะทำด้วยความโลภนะทำด้วยความโลภอันตรายนะอันนั้นนั่งอยู่เฉยๆดีกว่ายังไม่ขาดทุนนะกิเลสทั้งนั้นนะทำบุญสาธุเกิดชาติหน้าสวยกว่าเก่ารวยกว่าเก่าทำบุญสร้างอนาคตนะผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระองค์สอนให้เราทำบุญเพื่อจะไม่มีอนาคต พอพูดหไม่เอาหาเงินมาเกือบตายทําบุญเฉยๆแล้วไม่ได้อะไรเลยเห็นมก็ได้ทำแล้วไงก็ได้ให้แล้วไงเอาพวกเขาออกจากอกแล้วไงไม่เอาส่วนมากทําบุญเพื่อจะได้มีมากขึ้นสอนกันอย่างนี้นะถามว่าชาตินี้เราจะทําบุญเท่ามากกับเท่ากับจักรพรรดิหู่ไหมใครรู้จักจักรพรรดิหู่บ้างได้ยินไหมเออจักรพรรดิหู่อยู่เมืองจีนสมัยก่อนนะนะ พระอาจารย์ตักมอเนี่ยพระโพธิธรรมเป็นองค์ชายสามที่อินเดียนะอาจารย์ตักมอเนี่บวชกับภิกษุณีนะภิกษุณีเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็หลังจากบรรลุธรรมแล้วครูบาอาจารย์สั่งให้มาเผยแผ่เนี่ยมุ่งไปที่จีนเนี่ยไปถึงจีนเนี่ยจกักรพรรดิหูก็นิมนต์ไปสนทนาธรรมด้วยจกักรพรรดิหูก็รายงาน คือบอกว่าพระองค์สร้างวัดร้อยกว่าวัดดูแลภิกษุสงฆ์หลายพันรูปเอาคนพันคนเนี่ยมาแปลพระไตรปิฎกสร้างวิทยาลัยเผยแผ่แผพุทธศาสนาจั ก, กรพัฒด์บูก็ถามคือคนจีนเขาเรียกว่าอาจารย์ตักมอเนี่ยเขาเคารพมากแต่อาจารย์ตักมอไม่เอาไพทิพพระไตรปิฎกเลยไม่อ่านเลยนะนะไม่เอาประเภทบูลางผ่านนะ ถามอาจารย์ตักมอว่าท่านจะได้อะไรท่านทำขนาดนี้อาจารย์ตักมอบอกว่าจั ก, กรพัฒน์บูไม่ได้อะไรเลยเตรียมตัวตกนรกชั้นเจ็ดจักรพรรน์บูโกรธมากนะแต่เห็นบารมีอาจารย์ตักมอหนึ่งไม่กล้านะบารมีท่านดุมากแต่ดุแบบเมตตาแหละต่วันดุท่านก็ถามว่า เราทำความดีครูบาอาจารย์คนไหนก็สอนให้เราทำความดีจะตกนรกได้อย่างไรอาจารย์ตักโมอบอกว่าทำบุญตามบุญไม่ใช่บุญท่านทำบุญท่านยังไม่ถามว่าท่านจะได้อะไรเลยกิเลสทั้งนั้นนะอยากให้เขาแซ่ซองสรรเสริญไงตกนรกชั้นเจ็ดนะถึงว่าคิดว่าทำบุญทำบุญไปซื้อบุญทุกวันนี้นะเพื่ออนาคตเนคิดว่าจะได้บุญหรอ เป็นกิริยาในการทําบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยมันทําด้วยความอยากเออทําบุญไปแล้วนั่งอยู่สิบหนาทีก็แล้วครึ่งชั่วโมงก็แล้วชั่วโมงหนึ่งก็แล้วเอ้าไม่ประกาศชื่อสักทีหนึ่ง <c oughs> อันนี้เตรียมตัวตัวนรกชั้นเจ็ดถ้าเราไม่เข้าใจบุญนะอันตรายมากมันมินเม ร, ระหว่างนรกสวรรค์นะกรรมชี้เจตนาอยู่ที่เจตนา ที่เราทำเราสลัดออกลราสลัดความโลภความตณีเราออกนี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสยอย่างหนึ่งมันมีโลภโกรธหลงไงการทําทานนี่คือสลัดความโลภความตณีออกเมื่อความโลภความตณีเราน้อยลงเนี่ยความทยานอยากก็น้อยลงการสร้างกรรมก็น้อยลงเห็นไหมนี่คือความแยบยนต์ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเนี่พ่อกูพูดบังเอิญมาไม่ไม่ใช่มานั่งคิดนะมานั่งวิเคราะห์ ว่าโอ้พระองค์ยิ่งใหญ่มากอะไรนะไม่วินาทีนั้นยี่สกปีก่อมันระเบิดปึง้งเลิกนับถือบูชาเลยตอนนั้นเห็นไหมมันไม่ต้องผ่านความคิดอะไรเลยทําให้มันเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าโอ้เราศึกษาแตกฉานเ อ, อ้ยิ่งใหญ่จริงๆนะฉันเลิกนับถือจะเไม่ใช่วินาทีเดียวนี้เลิกนับถือบูชาเลยไงเห็นไหม เพราะจิตมันเข้าสู่สภาวะเดิมมันแล้วมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้โดยไม่ต้องผ่านความนึกคิดไม่ผ่านเหตุผลแล้วก็ยี่กปีเนี่ยไม่ต้องไปนั่งกังวลห่วงใ่ไม่แต่หนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีว่าเราหลงทางหรือเปล่าไม่มีนะก็อันนี้ก็ให้ข้อคิดพยายามฝืนกินเลสตัวเองหน่อยหนึ่งถ้าวันไหนมันทำไม่ปุ๊บเนี่ย คิดถึงคําพูดพ่อกูเบี่ยงไม้ทิ้งทําต่อไปสงสัยก็ทําไม่สงสัยก็ทํามันจะง่วงเนี่ยหลับกลางอากาศเลยให้พ่อคูดูหน่อยหนึ่งเนาะเต้นอยู่ราอยู่มันยังง่วงอยู่ให้มันหลับไปเลยเนาะจะให้พวกก็ถ่ายวีดีโอไว้แล้วมาฉายทุกคนดูเป็นแบบอย่าง เ, เราเนี่ยกิเลสมันชอบรู้ทุกเรื่องใช่ไหมอันนี้ก็ก็พูดเองเนี่เสริมความรู้ไง เขาลืมว่าพรอครูไม่ให้ความรู้ใครทั้งนั้นแหละมีแต่เบี่ยนความรู้ทิง้งทุกวันนี้ที่เราทุกเพราะเรารู้นะเรารู้ผิดไงไอ้ที่ลังเลสงสัยนั่นแหละคือความรู้ผิดนะถ้าความรู้ที่ถูกต้องคือตัวปัญญาเนี่ยมันไม่สงสัยหรอกเนี่ยอวิชชาทําให้เกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดรูปนามอวิชชาคือความรู้ผิดยังจะไปเพิ่มความรู้ผิดไหมฮนะ ไม่ต้องการรู้ความรู้ถูกต้องเชื่อมั่นพ่อครูพ่อครูบอกเลยเป็นความรู้ที่ถูกต้องเลยก็ถูกต้องก็บอกว่าไม่ต้องรู้ไงนี่คือความรู้ถูกต้องที่สุดเบี่ยงทิ้งนะถ้ารู้เป็นภาษาปุ๊บเนี่มันไม่ถูกต้องละมันเป็นสัขยะเป็นสัญญาเหมือนคนนั่งกรรมาฐานนี่อุ้ยเห็นจริงๆเห็นจริงๆไงเห็นชัดเลยเห็นนรกมีกี่ชั้นเห็นสวรรค์มีกี่ชั้นไอ้เรื่องนี้พ่อกรูเคยนะมาเจอคนมาที่นี่นะ พ่อครูพูดได้ยังไงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตเนี่ยผมอ่านพระไตรปิฎกมาเขาบอกนรกมีกี่ชั้นนะสวรรค์มีกี่ชั้นอะไรเนี่ยคุยกับมหาป ร, รียนก้าววัดโพมาเร็วๆนี่ก็ บ, บอกยืนน่นยันว่ามีพ่อครูไม่ได้บอกว่ามันไม่มีแต่มันไม่ไม่ใช่เป็นชั้นๆเป็นแดนแบบนั้นจิตเรามันเป็นพิบเอาใครไปต้มเหร อ, อ, รหรอมันต้มเหรอ เอาใครไปต้มเอาจิตไปต้มแต่เขาสะท้อนให้เห็นภาพว่ามันทุกแบบนี้ทุกเหมือนถูกต้มเหมือนทุกขุนขึ้นต้นนิ้วมันสุขแบบนี้เห็นไหเราเห็นสวรรค์นะเราสวรรค์ฝรั่งเห็นสวรรค์ไทยไม่เหมือนกันนะแต่สิ่งที่มันเหมือนกันสะท้อนเห็นถึงความสุขของเขาอุณหภูมิของความสุขนรกของเขานรกของไทยก็ไม่เหมือนกันแต่เราเห็นอุณหภูมิของความทุกข์มันเห็นไหม เขาก็บอกว่ายังไม่ชัดเจนก็ถามว่าเป็นครูบาอาจารย์เผยแผ่ธรรมะบอกใช่รู้จักเจ้าชายยศถาไหมเขาบอกรู้สิเชื่อไหมพระองค์ตัดสัุ้ธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาบอกเชื่อวินาทีนั้นเขาเรียกพระอรหรันต์ใช่ไหมใช่สภาวะนิพพานใช่ไหมถูกต้องทําไมดวงจิตดวงนั้นไม่ไปอยู่เมืองนิพพานละ่ะทำไมยังอยู่ในร่างเจ้าชายยศถาทําไมละ่ะ เผยแผ่ 4,500 พรรษาเห็นได้ยังนิพพานอยู่ไหนนิพพานยังอยู่ในนี้เลยแล้วสวรรค์มันอยู่ตรงไหนนรกอยู่ตรงไหนก็อยู่ในนี้แหละใครอยากไปนรกเอาไหมพ่อครูพาไปเอาไหมอยากไปไหมอยากไปเที่ยวไหมไปแล้วไม่ให้กลับมานะหรือใครจะไปสวรรค์ก็ได้พ่อครูจะพาไปนะแต่ว่าไม่ให้กลับมาเอาไหมไอ้ที่ไปนั่งโอเคนั่งพอ ม, มีสมาธิปุ๊บให้เปิดจิตนะ เขาพูดอะไรเขาก็ใส่โปรแกรมเข้าไปเนี่ยวาดภาพเนี่ยเห็นสวรรค์หมดเลยเห็นนรกหมดเลยมันเป็นจินตนาการมันเป็นอุปทานเห็นโน่นเห็น น, น, น, นี่อยากเห็นอะไรเพราะกูพาเห็นนะจะเห็นดวงใหญ่แค่ไหนก็ได้นะมันเป็นอุบายวิธีสร้างนิมิตขึ้นมาเพื่อให้จิตเราไปจดจ่อนะเพื่อให้เราเลิกคิดมันก็สงบชั่วครู่อันนี้อันตรายมากมันไม่ใช่ นิมิต ท, ที่เราเห็นจริงนิมิต ท, ที่เราไปกําหนดกําหนดกําหนดสร้างมันขึ้นมานะเหมือนเราสร้างอุปทานใหม่มากบเกิอนอุปทานเก่านั่นแหละแลกกับความสงบชั่วครู่ได้ไม่คุ้มเสียทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะเรามีอุปทานอยู่แล้วเรามีหน้าที่เอามันออกขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปเพิ่มโน่นเพิ่มนี่เข้ามาเพื่อจะแลกความสงบชั่วครู่ได้ไม่คุ้มเสียจิตเปื้อนกว่าเก่าไปหลงเสียอีก เอาออกอย่างเดียวหลักธรรมของพุทธเจ้าง่ายๆสามข้อทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสทำดีละชั่วขัดเกลาจิตว่มีตัวไหนบ้างเพิ่มความรู้มีไหมต้องเป็นด็อกเตอร์ก่อนค่อยพ้นทุกมีไหมมีแต่ลดล่าเลิก ไม่ต้องการให้เราเพิ่มทุกอย่างทุกวันนี้ที่เราทุกเพราะเรามีมีมาหลายชาติแล้วไงเรามีหน้าที่ปลดวางความมีนั้นซะเห็นไหมทุกวันนี้เข้าไปบางทีมันก็หลอกเราว่างว่างว่างว่างว่างอาหารเราว่างว่างเที่ยว น, นี้แกบอกพระครูอธิบายเรื่องว่างหน่อยสิเห็นหมว่างว่างไม่มีอะไรแล้วน่ะก็มีคนว่างอยู่ไงไ ม, มีคนรู้สึกว่างอยู่ไหม ว่างไม่ได้ไปว่าไม่มีถ้าไม่มีเราจะว่างจากอะไรล่ะว่างจากการมีนั้นไม่ใช่ไปอยู่อารมณ์ว่างๆโดนหลอกมันมีขันห้ามันมีทุกอย่างแต่เราว่างจากการมีไม่ยึดมั่นถือมั่นคือว่างจริงๆมันเอาธรรมลมว่างมาหลอกเรานะก็ให้ไม่ให้เราไปไหนไงอยู่ก็ว่างอ่ออชอบอบชอบนะใครว่างแบบนี้มาหาพระครูนะพ่อครูจะทําให้เห็นมันไม่ว่าง ใครอยู่เหนือเวทนามหาพระคูนาจะทำให้เห็นเวทนา <c oughs> นหเออสมัยก่อนก็มีไงพระอรหันต์ี่กงเนาะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดเรื่องสุญญาตาอะไรก็ว่างๆนะท่านก็เลยเอาเอาเอาไม้เท้าตีหัวปกเลยโกรธเลยไหนบอกว่าว่างเลย <c oughs> นี่ว่าง เป็นหลงสภาวะธรรมนะพวกเราก็ระวังนะโดยเฉพาะไอแนวเรามันเข้าไปในจิตเร็วมากเนี่ยมันพิสดารทุกอย่างมีจุดแข็งก็มีจุดอ่อนในตัวมันมันไม่ดีดเรือเลิศแต่เราไม่ต้องกลัวไงเออเหมือนเราเข้าไปโอ้มาแล้วลางานางานาการมาอยู่กับพ่อครูมาเจริญวิปัสนาชั้นปลอดภย100ัยร้อยซแล้วอย่าชะล่าใจนะในเส้นทางวิปัสนา ม, นมันจะมีวิปัสสูกิเลสอยู่ประมาทไม่ได้ ถ้ามันไม่มีของคู่เราจะมีของเล่นได้ยังไงเห็นไหมถ้าไม่มีอารมณ์อารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราจะเราจะเราจะเอาอะไรมาเล่นเราจะเอาอะไรมันเป็นฐานเห็นไหมชอบแต่อารมณ์ดีๆดีก็กอดอยู่ตรงนั้นแหะมันก็ชอบว่างใช่ไหมก็ให้ว่างอยูน่นีว่างจนเข็ดเลยเห็นไหมยังมีคนว่างเลยนะคนมีความสุขกับความว่างเนี่ยมันไม่ว่างจริงๆนะมันต้องฆ่าไอ้คนที่มันติดว่างทิง้ง ไม่ใช่มันไม่มีนะขันห้ามันมีอยู่แต่เราว่างจากการมีนั้นนะมีรถคันหนึ่งน่ะลูกหลานญาติธรรมที่เมืองซื้อรถคันใหม่บ้านนี้เนี่ยก็เขียนน้นเขียนนี่วิ่งวนเวียงวางว่างคุณคือสิ่งที่คุณทาปีนั้นออกรถคันใหม่เขียนคำว่าว่างมาจูงแขนพ่อครูเนี่ยเขาเขาถือเคสนะพ่อครูไม่ทำเรื่องพิธีนี้จับรถให้เขาหน่อยหนึ่ง แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าในหลังกระจกว่าว่างเพราะพวกมันไม่ว่างแล้วมันว่างอยู่ดีๆทำให้มันไม่ว่างแม้กระทั่งคำว่าว่างก็ไม่ใช่เห็นไหมพอเขียนปุ๊บมันก็ไม่ว่างแล้วไงพอเห็นปุ๊บว่ามันว่างเพราะก็ไม่ว่างแล้วมันมีคนเห็นไงใช่ไหมแต่เราเห็นอยู่เรายังมีตัวอยู่ก็สักแต่ว่าเห็นได้ไหมสักแต่ว่างสักแต่ว่าว่างอย่าไปติดว่างได้ไหมนอกจากวันใดวันหนึ่งเนี่ย